ที่ชื่อว่าภิกษุณีได้แก่มาตุคามที่อุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายที่ชื่อว่าแนะนําให้จัดเตรียมคือเขาไม่ประสงค์จะถวายหรือไม่ประสงค์จะกระทําแต่แรกภิกษุณีกล่าวว่าพระคุณเจ้าเป็นนักสวดพระคุณเจ้าเป็นพระหูสูตรพระคุณเจ้าเป็นผู้ชํานาญพระสูตรพระคุณเจ้าเป็นผู้ทรงวินัยพระคุณเจ้าเป็นธรรมมกรึกท่านทั้งหลายจงถวายแก่พระคุณเจ้าจงทําถวายแก่พระคุณเจ้าอย่างนี้ชื่อว่าแนะนําให้จัดเตรียม ที่ชื่อว่าบินธบาทได้แก่โภชนะห้าอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าเว้นไว้แต่พัตฐารที่กระหัสรารุไว้ก่อนคือยกเว้นที่กระหัสริเริ่มไว้ที่ชื่อว่ากระหัสรารุไว้คือเขาเป็นญาติเป็นผู้ประวารณาภิกษุไว้หรือของเขาจัดแจงไว้ตามปกติ196ภิกษุรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะฉันต้องอบัตทุกด ภิกษุฉันต้องอบัติปาจิตตีทุกๆคำกลืนเว้นไว้แต่พัตทหารที่กระหัสถรารุไว้ก่อน